ออกพรรานี้นะงานเยอะมากเลยวิ่งไปที่โน้นที่นี่นะเหนื่อยพระยิ่งแก่ยิ่งงานเยอะโยมแก่แล้วก็เสียนพระไม่มีกเกษียณ <c oughs> หลวงพ่อพยายามลิมิตไว้ไม่ไม่รับนิมนต์ไปทําอย่างอื่นนะเอาเฉพาะเทศอย่างเดีย ว, วก็เทศไม่นานนะเทศได้ชั่วโมงกว่าๆนั่นแหละ วันก่อนไปนคนปรปฐมนะนั่งรถไปสามชั่วโมงไปถึงก็ไม่มีแรงจะเทศแล้วจบแล้วนั่งรถกลับมาอีกสามชั่วโมงมาถึงวัดเข้ากุฏิได้ก็ไปนั่งนิ่งๆต้องหายใจไว้ก่อนเอาชีวิตรอดก่อนก็ตั้งใจงานอื่นไม่เอานะนี่ไปติดงานหล่อพระของบุญญาวาดวันอาทิตย์เนี่ย ตอนบายโมงฉันตันท่านนิมนต์มาปีกว่าๆแล้วเลยต้องไปกับท่านหน่อยรู้จักคุ้นกับท่านท่านน่ารักคือท่านก็อกรูลพวกเด็กที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนยไปหาท่านไปขออยู่วัดท่านเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยท่านก็ให้อยู่นี่ท่านมีงานเราก็เลยต้องไปช่วยท่านคงไม่รออีกแล้วนะแล้วก็ มีอีกอันหนึ่งของผาซ่อนแก้วนี่หลวงพ่อพยายามลิมิตตัวเองนะอย่ามานิมนต์ไปงานอย่างอื่นเลยกระทั่งไปเทศนะไม่จําเป็นก็อย่านิมนต์เลยไปเทศที่อื่นนะคุณภาพของธรรมะเนี่ยสู้ที่นี่ไม่ได้ไปแปลกถิ่นเราก็ต้องสอนแบบระมัดระวังธรรมะก็ต้องประณีตหน่อยแบบตื้นตื้นหน่อยไม่ใช่ ว่าคนที่มาฟังเนี่ยไม่ใช่เหมือนอย่างที่มาที่นี่คนที่มาที่นี่ส่วนมากศึกษามาแล้วธรรมะมจะเป็นอีกระดับหนึ่งธรรมะพื้นๆไปอีกอย่างหนึ่งพูดลำบากไม่ไปเลยก็ไม่ดีเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่ออกไปเลยไม่ไปเลยก็ก็อยากนิมนต์นนก็ไปเชิญใครต่อใครไปพูดแทนไปพูดคนละเรื่อง สอนดูจิตเดี๋ยวนี้ใครๆก็สอนดูจิตแต่มันดีโอดูมันไม่ใช่ดูภาษาไทยไม่ใช่สายสียิ่งย้อนมาดูตัวเองมันกลายเป็นดีอดูดูอิ่งนะงั้นแต่ว่าต่อไปพวกเราเนี่ยที่เรียนกับหลวงพ่อไปมากๆนะจะไปมันจะแม่นอย่างเวลานี้เราฟังธรรมะเราเริ่มจับได้แล้วว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ แต่ที่พวกเรายังจับไม่ได้อีกอย่างหนะอึอีกระดับหนึ่งนะคือธรรมะที่พูดเหมือนกันประโยคเหมือนกันแต่เนื้อในไม่เหมือนกันเยอะนะต้องระวังใครๆก็พูดมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันพอลงมือทําจริงก็ไม่เพ่งกายก็เพ่งใจถ้าไม่เพ่งกายเพ่งใจก็ไปเพ่งความว่างสุดท้ายมันก็กลับไปเพ่งอีกแหละเราก็เลยต้องยอมว่าทรมานสังขารไปอีกช่วงหนึ่งนะเกิด คนเข้าใจธรรมะมากกว่านี้จะได้ช่วยกันรักษาเอาไว้ดังนโยมทุกคนและมีความสําคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ฝากศาสนาไว้กับพระท่านฝากพระศาสนาไว้กับบริษัทสีพวกเรานี้สองบริษัทนะอุบาสกอุบาสิกาพวกพระเหลือบริษัทเดียวแล้วเหลือภิกษุบริษัทภิกษุบริษัทท่านไม่ภาวนานะมันจริงๆก็คือคารวาสแต่งชุดพระ ทีก็ทําเรื่องเสียหายให้พระศาสนามากขึ้นไปอีกก็มียิ่งเดี๋ยวนี้นะพระไม่มีพระวิเัยไม่รักษาพระวิเัยอย่างสมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าบวชแล้วหปีไม่ให้ไปไหนนะจะไปไหนต้องไปกับพระผู้ใหญ่เที่ยวร่อนรอนไปเองเมื่อโดนจวกขนาดหลวงพ่อภาวนาช่ำชองมากแล้วนะภาวนาจนกระทั่งเออเราก็รู้มั่นใจแล้ว ตอนพรรษาที่สี่ออกพรรษาแล้วนึกถึงหลวงปู่เลียนนะคิดว่าท่านจะไม่อยู่ละไปกราบท่านท่านถามว่ากี่พรรษาพระสีพ่พรรษาท่านท่านว้าวานะถึงเราจะภาวนาเข้าใจแล้วนะแต่ท่านก็บอกต้องรักษาพระวินัยไว้ยังมาเที่ยวร่อนร่อนไปไม่ได้นะผิดพระวินยัยถ้าไม่รักษาเป็นแบบอย่างไว้หน่อยคนรุ่นหลังยิ่งไม่อยอมรักษาใหญ่ครูบาอาจารย์เข้มงวดขนาดนี้ มีพระรุ่นหลังๆก็เริ่มอ่อนแอลงอ่อนแอลงทนไม่ค่อยไหวกับคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ถูกดุถูกว่าก็ใจน้อยตุปปต๊ ป, ป่องตุ๊ป่องหนี้ไปเลยก็มีบางคนก็ดือ้อดื้อมากๆหลวงพ่อก็ไล่เหมือนกันไล่ไปหลายองค์แล้วขึ้นชื่อลือชาเลยนะเรื่องไล่ไล่พระเนี่ยโยมก็ไล่เหมือนกันนโยมจะมาแอบแฝงหาผลประโยชน์อะไรอยู่างนี้ก็ไล่ไปเสียหายนี่พวกเรานี้แหละเป็นกำลังสําคัญ เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาเป็นเสาหลักเหมือนกันนะตอนนี้เหลือสามขาอย่างใช่ไหมเหลือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีก็เรียกว่าอุบาสิกานะแม่ชีมีคุณธรรมก็ยังเป็นอุบาสิกาไม่ใช่ภิกษุณีนั่นมันเหมือนสามขานะถ้าเหลือสองขาเมื่อไหร่ล้มเมื่อนั้นอะเห็นไหมนะตอนนี้นึกภาพออกใช่ไหมคนโบราณเขามีก้อนเศร้าทั้งสามอัน เอาหม้อวางได้ถ้าเหลือสองขาวางไม่ได้แล้วตัวที่สำคัญมากเลยก็คือพระเราก็ต้องรักษาไว้เพศของพระต้องรักษาพระเอาไว้นะถ้าเราไม่รักษาพระไว้เหลือแต่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเวลาเราภาวนาในขั้นแตกหักเราจะไปไม่รอดเพศของฆราวาสเนี่ยปฏิบัติธรรมเบื้องสูงยากที่สุดเลยไม่เอื้ออำหนวยเพศของฆราวาสเนี่ยไม่เอื้ออํานวยให้ปฏิบัติธรรมขั้นสูง ขันอาณาค ň าก็หืดขึ้นขอแล้วทําให้จบนี้สุดจะยากเลยนะลองนึกดูสิขนาดเราเป็นคราวาสตอนนี้โสดายัางยากเลยรู้สึกไหมต้องสู้แทบเป็นแทบตายสู้กันปางตายนะถึงจะได้ดังนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาให้พระสืบทอดกันไปได้นะต้องช่วยกันดูให้กําลังให้อาหารให้อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันดูแลอย่าให้เหลวไหลถ้าเหลวไหลแล้วก็ต้องไม่ยอมนะ ในขณะเดียวกันฆราวาสก็มีหน้าที่พิกอุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่ต้องศึกษาธรรมะในสมัยพุทธกาลนะอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นพระอริยะก็มีหลายองค์ที่สอนธรรมะเก่งๆก็มีหลายองค์ยังมีอยู่ท่านหนึ่งชื่อนางคุชุตราเป็นนางค่อมนะเป็นผู้หญิงหลังค่อมเป็นคนใช้เขาแสดงทำเก่งจนเจ้านายเรียกว่าแม่เลยไปสอนนางสาวมาวดีได้พระอนาคา ตัวเองได้โสดานะแต่ว่าสอนเเป็นพระอนาคาเขายกย่องเรียกแม่หรืออุบาสกที่เก่งๆก็มีหลายคนอุบาลีจิตตะคระหบดีอะไรเงี้ยเก่งๆมีหลายคนงั้นไม่ใช่ว่าเป็นฆวาสแล้วไม่มีหน้าที่เป็นฆราวาสก็เป็นชาวพุทธชาวพุทธมีหน้าที่สองอย่างหนึ่งเรียนธรรมะให้เข้าใจให้รู้ซึ้งให้รู้จริง พอสองเมื่อรู้จริงแล้วประกาศออกไปพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าท่านยังไม่ยอมนิพพานนะถ้าสาวกของท่านไม่เข้มแข็งถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่เข้มแข็งท่านยังไม่ยอมนิพพานคําว่าเข้มแข็งหมายถึงต้องดํารงศาสนาได้ต้องต่อสู้กับลัทธิเพี้ยนเพียนได้สู้กับมิจฉาทิฏฐิได้ถ้าสู้ไม่ได้นะท่านบอกท่านยังไม่นิพพานรุ่นนี้มิจฉาทิฏฐิมันเต็มไปหมดเลย มิจฉาทิฏฐิครองเมืองเลยนะขนาดที่ว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธสุดท้ายก็คือมิจฉาทิฏฐิแทบทั้งนั้นนะอย่างถ้าเราคิดว่าถ้าเราตายแล้วจิตเราออกจากร่างนี้ไปเกิดนี่ก็มิจฉาทิฏฐิแล้วชนิดนี้เรียกว่าสัตสตะทิฏฐิหรือพวกนักฟิสิกส์ทั้งหลายตายแล้วศูนย์ไปนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิ บางคนก็คิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีอะไรๆก็ไม่มีนี่ก็มิฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกะทิฏฐิบางคนก็ถือว่าปฏิบัติทำไม่ต้องทำอะไรหรอกนะอยู่ไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันแก่รอบขึ้นมาคงอยู่แก่ๆไปแล้วบรรลุไปเองนะคงเบื่อโลกแล้วบรรลุไปเองไม่มีการกระทำไม่ต้องทำอะไรนี่เรียกอากริยะทิฏฐิมิฉาทิฏฐิเยอะนะเยอะแยะไปหมดเลย บางอย่างบางคนก็เชื่อว่าอดีตไม่มีหรอกนะทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่นเป็นเรื่องในขณะนี้เท่านั้นไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกันในอดีตนะพวกนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออาเหตุตุกทิฏฐิลองสำรวจใจเราสิเป็นมิจฉาทิฏฐิได้กี่ชนิดนะถ้าไม่ใช่พระโสดาบันยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยูนะ่เราต้องยอมรับสภาพนะพวกเราส่วนมากในห้องนี้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ เมื่อเราจะเป็นมิชฉาทิฏฐิสิ่งที่จะช่วยเราได้มากเลยก็คือโยนิโสมนสิการอาศัยว่าได้ฟังธรรมอาศัยการได้ฟังธรรมโยนิโสมนสิการเกิดจากอะไรมันเป็นความแยบขายในจิตใจของเราที่จะพิจรารณาไตร่ตรองว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมอะไรมีประโยชน์อะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ ถ้ามีโยนิสมนนักสิการรู้นะว่าอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เรามีหลายระดับนะอย่างของที่มีสาระก็ธรรมะทั้งหมดเลยมีสาระของไม่มีสาระคืออาธรรมทั้งหลายไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์ทำสติปัฏฐานมีประโยชน์จเจริญสติไปมีประโยชน์อะไรสมควรแก่เราสมควรแก่เราก็ปีบเล็กลงมาเราไม่ต้องจเจริญสติปัฏฐานทุกแบบ เพียงบางอย่างางอย่ใดอย่างหนึ่งเท่านั้นกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเท่านั้นที่สมควรแก่เราอันอื่นมันสมควรแก่คนอื่นธรรมะที่มีเยอะแยะเพราะมันสมควรกับคนจนํานวนมากธรรมะที่สมควรกับคนคนหนึ่งมนะันมีไม่มากหรอกเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราสมควรแก่ธรรมะไรลงมือทําตรงนี้นะเอาชีวิตเข้าแลกไปยังไงก็ได้ยังไงก็ต้องได้ผลแน่นอนนะถ้าเปะเปะเปะปปปนะทำโน่นทํานี่ทําไปเรื่อยทํามั่งหยุดมั่งนะ ส่วนมากมันจะไปทปําจริงๆไม่ใช่ไปรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้เรียนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดีผิดผิดถูกถูกรูปรูปคลำคลำมันก็ไม่ได้ผลเลยถ้ามีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันจริงๆด้วยจิตที่ตั้งมัน่นด้วยจิตที่เป็นกลางไม่หลงไปตามความยินดียินร้ายนี่คีย์เวิร์ดมีอยู่เท่านี้แหละทาไมจะไม่ได้จะได้เร็วด้วยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องทําได้ ต่อไปตรวจกันบ้านทุกคนมีหน้าที่เรียนนะหน้าที่ของชาวพุทธคือศิกขาศิกขาก็คือศึกษา น, นั่นเองศึกษาเรื่องอะไรเรื่องศีลทํำยังไงใจเราจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสชัช่วยาบครอบงําศึกษาเรื่องจิตเรียกว่าจิตตะศิขาเนี่ยบางคนก็อุตรินะบอกจะไม่เรียนเรื่องจิตจะดูกายอย่างเดียวข้ามบทเรียนเรื่องจิตตะศิขาจะดูกายก็ต้องเรียนเรื่องจิตก่อน เรียนเรื่องศีลสิกขาศีลเป็นพื้นฐานถ้าขาดศีลแล้วก็อย่ามาพูดเรื่องจะภาวนาทำไม่ได้กิเลสมันลากไปหมดแล้วคนทำผิดศีลได้ก็เพราะว่าขาดสติถูกกิเลสครอบ ง, งำเพราะฉะนั้นเราเรียนจนกระทั่งเรามีศีลอัตโนมัตินะศีลที่ดีมากในชื่ออินเซียสังวรศีลอินเซียสังวรศีลก็คือมีสตินั่นเองเมตตามองเห็นอย่างเช่นเห็นเมียคนอื่นมันสวยจิตชอบขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไม่ชอบนะ จิตมันชอบจะห้ามมันไม่ได้แต่มีสติรู้ทันเห็นราคาที่เกิดขึ้นราคาครอบงําใจไม่ได้ไม่ไปเป็นชู้กับเขาหรอกถูกเขาด่านัโกรธมีสติเห็นความโกรธผุดขึ้นมาความโกรธครอบงําใจไม่ได้ไม่ไปฆ่าเขาหรอกไม่ไปด่าเขาหรอกแห็มศีลมันเกิดเอง น, นั้นมีสติขึ้นมานะแล้วมันจะมีศีลนี่เรียกว่าอินทรียสังวรศีลศีลชนิดนี้สําสคัญกับนักปฏิบัติเนี่ยเรามีสตินะเราศีลมันจะมีแล้วก็เรียนรู้เรื่องจิต จิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลต้องรู้ทุกวันนี้ไม่ค่อยเรียนก็ไม่รู้กันไปหลงเอาจิตที่เป็นอกุศลไปปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างอย่างเราไปดูท้อง่องยกปุ๊บใจแน่นขึ้นมาเลยใจที่แน่นๆนั้นเป็นลักษณะของอกุศลจิตหรือเครีย ด, เ ค, ยดเครียดขึ้นมาพานาแล้วเครียดจิตในขณนะนั้นเป็นอกุศลจิตจิตที่เป็นมากุศลจิตจะมีลัทตาเบา จะมีมุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวลถ้าจิตแข็งเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้อย่างนี้เป็นอกุศลจิตนั้นอย่างใครปฏิบัติแล้วเนี่ยอกุศลจิตที่เป็นกุศลคล่องแคล่วว่องไวถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่เนี่ยต้องเรียนทั้งสิ้นเลยนะว่าจิตชนิดใดเป็นกุศลชนิดใดเป็นอกุศล และจิตที่เป็นกุศลยังมีสองพวกพวกหนึ่งเอาไว้ทําสมถะพวกหนึ่งเอาไว้ทํำวิปัสนาต้องเรียนทั้งสิ้นเลยนะอยู่ๆจะรู้เองไม่ได้หรอกเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าถัดจากนั้นก็มาเรียนเรื่องการเจริญปัญญาให้ไหมสิ ร, รัสสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาเรารู้จักแล้วว่าจิตชนิดไหนใช้ทําสมถะจิตชนิดไหนใช้ทํำวิปัสนาจิตชนิดไหนเป็นอกุศลจิตพอเรารู้ช่ำชองแล้วเรามาเจริญปัญญา มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนะมีสติตามรู้จิตที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆเห็นไหมรู้กายกับรู้จิตก็รู้คนละวิธีกันรู้กายรู้ลงปัจจุบันรู้จิตนั้นดูตามหลังไปเรื่อยๆเนี่ยต้องเรียนทั้งสิ้นนะอยู่ๆปฏิบัติเองรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองไม่ได้ไม่มีใครที่จะรู้ด้วยตัวเองได้เลยในยุคนี้ถ้ารู้ด้วยตัวเองได้เขาเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้า ไม่ใช่วิสัยที่จะเกิดพระปัจเจกพุทธเจ้าในยุคที่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางดํารงอยู่เพราะฉะั้นอย่าได้เหมิมเกริมเลยว่าจะรู้ด้วยตัวเองไม่มีทางหรอกไม่มีทางเลยแค่ฟังท่านให้รู้เรื่องอย่างแทบตายเลยใช่ไหมฟังรู้เรื่องแล้วลงมือปฏิบัติรำให้สมควรแก่ธรรมย่างแทบตายเลยนิพพานอยู่ฟากตายจริงๆนะมันเหมือนจะต้องต่อสู้กันดูเดือด ครูบาอาจารย์สอนนิพพานอยู่ฟากตา ก, ก่อนก่อนเขาฟังไปงั้นแหะฟังแล้วไม่ซึง้งหรอกเวลาเผชิญกับธรรมะเข้าจริงๆถึงจะทราบซึ้งถึงอกถึงใจถ้าไม่เห็นทุกข์ถึงขนาดว่ามันจะเต็นจะตายจริงๆนะจิตจะไม่ยอมปล่อยวางหรอกถ้าไม่เห็นทุกขจ์จริงๆนะจิตจะไม่ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจหรอกต้องเห็นทุกข์อย่างแจม่มแจ้งนะรู้ทุกข์อย่างแจม่มแจ้งนะั่นแหละถึงจะยอมปล่อยใช่ไหมทุกข์ต้องเป็นสิ่งที่ต้องรู้ท่านถึงสอนว่าทุกข์ให้รู้ ทุกคือกายกับใจรู้มันลงไปน้ํามีสติรู้เป็นปัญญามันแจ้งเลยกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆพอมันแจง้งแล้วมันถึงจะสลัดคืนกายคืนจิตให้โลกไปมันก็พ้นท really. ุกข์กันตรงนั้นแหละพ้นทุกข์ตรงที่ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เพราะรู้ความจริงว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษแต่เป็นตัวทุกข์รู้ความจริงได้เพราะอะไรเพราะตามดูมันไปเรื่อยๆตามดูว่าจริงๆนี้กายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงดูของจริงไปเรื่อยๆ จะตามดูของจริงได้ต้องไม่เผลอไปแล้วก็ต้องไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจไว้ถ้าเผลอไปก็ลืมกายลืมใจกายมีอยู่ก็หายไปจิตมีอยู่ก็หายไปนะถ้าไปเพ่งไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งนิ่งเกินจริงไม่ใช่รู้ตามความเป็นจริงนั่นศะัตรูก็คือความสุดโ่งสองด้านสุดโตรงในข้างหลงตามกิเลสชื่อการสุขาริการิโยคสุดโตงในข้างบังคับตัวเองชื่ออัตตะกิมฐานุโยก ถ้าใจเราไม่ลงไปสู่ความสุดตงของสองด้านเราจะรู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริงได้เพอรู้ตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายใครกําหนัดใครความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นพอหลุดพ้นก็จะรู้เลยว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ว่างเปล่านะมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราแล้วจิตไม่ไปสําคัญมั่นหมายยึดถืออะไรจิตไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเลยเราภาวนาแล้วสิ่งที่ได้มานะคือความสิ้นทุกข์ถาวอได้รับบรมสุข บางคนว่าศาสนาพุทธมองโลกแงไ่ไร้มองแต่ความทุกข์ไอ้นั่นในขั้นเดินทางเรียนรู้เรื่องทุกข์ไปพอสุดท้ายปลายทางคําว่านิพพานนิพพานเป็นบรมสุขนะนิพพานไม่ใช่บรมทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แยมแจ้งปล่อยวางกายปล่อยวางใจเราก็จะพบบรมสุขของนิพพานมีความสุขจริงๆไม่มีอะไรเหมือนเลยโลกนี้สงบสงัดอยู่อย่างเงี้เต็มไปด้วยความสุขนคนเดินขบวนเยี่ยวเยะ่ยเยอยู่นะ ใจของคนที่พ้นแล้วก็จะเห็นแค่ภาพหลวงตาที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรหรอกไม่ไปหลงอะไรกับมันหรอกไม่อินอ่ะไม่อินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเราต้องพักเพียร น, นะอดทนเบื้องต้นก็อดทนฟังให้รู้เรื่องก่อนพอฟังรู้เรื่องแล้วก็คอยรู้กายรู้ใจไปตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพูดมาสิบรอบแนละ้วคำนี้จําได้ยังมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะ จำไม่ได้ไปหาหนังสือวิธีแห่งความรู้แจ้งเวอร์ชัน2วิธีแห่งความรู้แจ้ง2เวอร์ชัน2องเวอร์ชั่น1เขียนตอนนั้นยังเขียนได้ไม่เต็มที่ต่อไปตรวจกันบ้านเดี๋ยวนะเขาตรวจคนอยู่วัดก่อนครับผมก็ตามดูจิตไปครับแต่แล้วก็ในแต่ละวันก็เห็นสภ า, าวะต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับ แล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันก็จงใจครับตึงๆขณะวก็นี่เป็นกลางครับขณะนี้จงใจไหมจงใจครับตอบถูกใช้ได้สอบผ่านอเห็นไหมไม่ต้องดีก็ได้นั่งเพ่งอยู่แท้ๆเลยถามว่ารู้ทันไหมรู้ทันรู้ทันก็ใช้ได้แล้ะเพราะรู้ตามความเป็นจริงเห็นไหมจิตไม่ดีรู้ว่าจิตไม่ดีนั่นแหะดีเอาว่าไปมีโมหะแล้วก็หลงคิดค่ ะ, ะฝืนธรรมชาติอยู่หน่อยเหนื่อยด้วยค่ะ โมหะชนิดไหนใจเป็นแบบไหนมัวค่ะนอกจากมวัวแล้วมันเป็นอะไรอีกซึมด้วยค่ะฮ ะ, ฮะซึมซึมอดูไปนะแล้วก็เห็นไหมฟุ้งซ่านด้วยซึมไปฟุ้งไปอ้อาวต่อไปก็ยังหลงหลงอยู่บ่อยๆแล้วก็เห็นโมหะมากขึ้นห ล, ลงบ่อยหรือหลงนาน นานๆหลวงนานก็ไม่บ่อยสิคนทั่วๆไปมันหลงวัละครั้งเดียวให้ตื่นจนหลับภาวนาเก่งน่าจะหลงบ่อยนาทีหนึ่งสิครั้ง20ครั้งแล้วก็ยังก็เห็นตัวไอ้โทสะคือคิดว่ามันหายไปแล้วก็เลยลองคิดไปถึงสิ่งที่มันทําให้เรามีมันจะหายได้ยังไงไงเราไม่ใช่ผ้านาขาโทสะมีเหตุโทสะก็ต้องเกิด เหตุของโทสะก็คืออันแรกเลยได้ไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีอันที่สองมีอนุสัยเดิมอยู่ที่เชคชี้โมโหเรากระทบแล้วมันก็โทสะมันก็เกิดขึ้นมาโทสมีเหตุโทสะก็เกิดเห็นไอยู่ๆจะไปคาดหวังลมๆแรงๆว่าจะไม่มีโทสะไม่ได้นะต้องทำยังไงต่อไปอีกนะทำไม่ได้ที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะใจมันรู้ใจมันตื่นขึ้นมาแล้ว ก็ค่อยรู้สึกลงปัจจุบันรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเอาเท้าเจ้าค่ะตอนตอนนี้ตื่นเตือนนิดนิดค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆลงเจ้าค่ะวันนี้ตั้งหนึ่งเท้าเจ้าค่ะใช้ไม่ได้แล้วจิตมีโมหะครอบไปแล้วซึมไปแล้วรู้สึกไหมซึมอย่างเงี้ยไม่เอาเลยนะอัเลิศไว้เอาเท้าเจ้าค่ะวันนี้วันนี้ตั้งแต่เช้าเมื่อเจ้าค่ะเขา แจม่มแล้วก็สว่างเจ้าค่ะแต่รู้ตัวเหมือนเหมือนไม่รู้ตัวคือรู้เหมือนไม่รู้ว่าเจ้าค่ะรู้จริงๆมันบางเฉียบรู้กับไม่รู้เนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวนะเจ้าค่ะไงั้นไม่ต้องตกใจอะที่ภาวนาใช้ได้อยู่เจ้าค่ะแต่ตอนนี้ไปตรึงความรู้สึกไว้นิดนึงใช่ค่ะนี่แหละอยู่วัดหรือเปล่าไม่อยู่เอาไว้ก่อนไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเมื่อกี้ใครยกคนนั้นเสื้อ ด, ด, ดอําๆผู้หญิงเนี่ยเอายกไว้เบอร์อะไร พระอาจารย์ขออนุญาตถามขออนุญาตถามนิดนึงเจ้าค่ะตอนนี้เถวเข้าใจว่าเวลาเดินจงกรมเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยถล่ําแล้วเจ้าค่ะเออดีถูกต้องแล้วเจ้าค่ะโน่นน่ะข้างหลังข้างหลังไปส่งไปข้างหลังก่อนที่นี่ใครยกมือก่อนได้ก่อนนะเดี๋ยวคนอายุเยอะก็บอกไม่ยุติธรรมใช่ไหมแคงกระดูกมันขาดยกช้าหลวพ่อยังไม่รู้จะใช้วิธีไหนเลย เอาว่าไปก็ไปหาเครื่องอยู่มาใหม่แล้วค่ะแลวลงพ่อที่หลวงพ่อร้องเพลงไม่ได้ก็เลยเอากลายเป็นเครื่องอยู่แั่นั่นแหละต้องเอากายเวทนาจิตธรรมเป็นเครื่องอยู่ อ, อย่าเอาร้องเพลงเป็นเครื่องอยู่ที่ทำอยู่ถูกไหมขณะนี้รู้ตัวเต็มที่ยังมันโมโมถูกต้องถ้าองนั้นที่ทำอยู่ใช้ได้นะรู้ตรงความเป็นจริงแล้วมีหลายตัวนะไม่ใช่มวอย่างเดียวกดเอาไว้ด้วยมาข่มใจไว้ด้วยให้มันนิ่ง าต่อไปยกมือเบอร์36มสิบหกสามหหน้ า, นะนาแล้วไป71กลับนมัส ก, การหลวงพ่อครับก็เที่ยวที่เล่าหลวงพ่อบอกว่ากำลังไม่มีให้ไปทำในรูปแบบผมก็นั่งบ้างเดินบ้างประมาณ 20-30 นาทีแล้วก็ตามรู้ตามดูไปก็มีความพึงสุคว่าเดี๋ยวนี้เม่อ ว, วันทวันสภ า, าขึ้นมารู้สึกว่าจิตเมื่อเมื่อตะกี้จิตมันคิดเมื่อตะกี้จิตมันหลงได้มากกว่าเดิม นั่นแมันมีแรงแล้วนะจิตของโยมตอนนี้มีกำลังพองั้นเราก็ปฏิบัติสม่าเสมอเมื่อทำถูกแล้วทำสม่าเสมอทำความสงบพ่้ามาแล้วก็ออกมารู้กายรู้ใจเห็นเขาทำงานไปเรื่อยๆไม่ไปเพ่งเขาอขอเรียนถามหลวงพ่อ น, นิดหนึ่งนะครับว่าคือบางครั้งเนี่ยเรา จะมีความรู้สึกตลอดว่าเวลาสวดสูงมากว่าจุรสมันจะจงใจตลอดเลยจงใจที่จะรู้จงใจที่จะดูมันจะรู้สึกได้แต่ตอนนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าตามรู้สภาวะหรือไม่งั้นแบบว่าปล่อยออตอนที่มันจมอยู่เนี่ยแล้วมันรู้สึกอวับขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ก็ใช่อย่างนี้คืออย่างนี้รู้แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอันนั้นนดีแล้วครับแล้วมันเป็นยังไงแล้วอยู่ๆโดยไม่ได้เจตนานะรู้ขึ้นมาเองแล้วก็ไม่ดึงขึ้นมาด้วยมันขึ้นมาเองครับ คืออยากจะเรียนถามหลวงพอ่อนี่นึงว่าอย่างของท่านอื่นผมไม่ทราบอย่างผมเนี่ยตอนนี้มีอะไรที่จะต้อ ง, องติดขงหมตอนนี้ทําดีแล้วนะเมืออ่อภานาถูกต้องถูกทางแล้วต้องทําบ่อยๆเดินไม่เลิกมีมีทางอะไรตอนนี้มีคือยังไงถึงจะเป็นเป็นการที่ออกนอกลูนกนอ ก, นอกทางคนระับหพ่อผมผมผมผมกลัวจะออกนอ ก, นอกทางมันก็คือความสุดตรงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นเองนะตอนตอนนี้ดูเอา ตอนนี้ก็ยังไม่ออกมาห ใ, ห ใ, หให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้แหละทําไปเรื่อยๆแล้วก็คอยสังเกตอีกตัวใจไปติดไปล็อกอยู่ในสภาวะอันใดนหนึ่งไหมบางทีรู้ไปเรื่อยๆนะ ใ, นใจก็ไปสร้างพบที่ประณีตขึ้นมาว่างๆแล้วไปอยู่ในว่างๆอะไรเงี้ยต้องยรู้ทันถ้ารู้ทันก็ไม่ติดสิ่งที่เราคอยระวังนะก็คือติดข้างซ้ายติดข้างขวาอะไรเงี้ยข้างาซ้ายข้างขวาก็คือหลงไปในโลกคามสุขหลัลิกานิโยคข้างขวาเพ่งอ้อย หลงในทำภายในเช่นไปเพ่งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงในทำภายนอกเช่นไปเพ่งในรูปเสียงกลิ่นรสปตพะรรมรมณ์ภายนอกนะหรือไปเกยตื้นอยู่เกิดตื้นคือจิตไปค้างคาอยู่ในพบใดๆที่จิตหลงสร้างขึ้นนักปฏิบัติเนี่ยดูไปดูไปแล้วใจจะว่างๆไปใจว่างๆแล้วไปค้างอยู่ในว่างๆตรงนั้นเสร็จแล้วเรียกว่าไปเกิดตื้นแล้วหรือถูกเกลียวน้ํามนถูกกามดูดออกไป หรืถูกมนุษย์จับไว้คือเป็นห่วงคนโน้นห่วงวคนนี้ถูกอมนุษย์จับไว้หลงไหลในชื่อเสียงหลงไหลในความสงบสุขของฌานสมาบัติอะไรเงี้ยถ้าเราสำรวจของเรานี่ยเราไม่ได้ติดเลยวันหนึ่งก็นิพพานถ้าถ้าติดเรารู้ว่าติดนี่ก็ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ละไม่ต้องแก้มันหลุดเองขอขอใครับไอ้จิตของผมขนาดนี้ผมเรียกชื่อไม่ถูกว่ามันรู้สึกยังไงฮะหลวงพ่อมันตะกี้นี่ดีนะแต่ตอนนี้ไม่ดีมันเอ็กิเตชันเลยวันอย่างี้อ่าภาษาไทยว่าอะไรอ่ะคือ มันวบบุตรจะติดตอนนี้ฮะผมให้หลวงพ่อช่วยช่วยถ้าขนาดนี้จิตฟุ้งซ่านกลับกลับนามาสการครับแต่ตะเกียจจิตรู้ตัวเนมะื่าเจ็ดอเจข้างหลัง ตอนนี้มีโกดเอาไว้อะค่ะโจแต่ว่าเทียบกับหลายๆเดือนที่ผ่านมารู <Rin ne. S 1> ้สึกว่าใจมันโล่งขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าสติเกิดช้าลงค่ะพ่อแต่เดิมเนี่ยแทบจะไม่ขาดสติเลยเพราะเพ่งเอาไว้เพ่งเอาไว้น่าเหมือนกันไม่ลืมตัวเลยแต่จริงๆเดินปัญญาไม่ได้ได้อยู่แค่นั้นแหละต้องใจถึงที่จะปล่อยให้มันหลงไปบ้างพอหลงแล้วรู้สึกหลงแล้วรู้สึกถึงจะได้คะแนนการเพ่งนะมันคล้ายๆว่าเราจะข้ามสะพาน เคยเห็นสะพานตามบ้านนอกไหมสะพานไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ลําเดียว <c oughs> มีอีกลำหนึ่งอยู่ข้างๆไว้จับเวลาจะตกเวลาเราจะข้ามสะพานนะั้นถ้าเรากลัวตกเราจะจับราวสะพานไว้ส่วนที่เป็นราวสะพานถ้าเราจับไว้อย่างเงี้ยเราจะข้ามสะพานไม่ได้นึกออกไหมไม่ยอมปล่อยราวสะพานนะจะข้ามสะพานไม่ได้เพราะขามันเดินไปมือมันไม่ไปด้วยในที่สุดก็เดินไม่ได้การที่เราเพ่งไว้จิตเราก็นิ่งอยู่อย่านะั้ไม่สามารถข้ามภพข้ามชาติได้ แต่พอเราปล่อยนะมันมีความเสี่ยงเราไม่เพ่งไว้เนี่ยมีความเสี่ยงคืมันจะหลงตกน้ําไปง่ายแต่มันมีโอกาสข้ามสะพานได้มีความเสี่ยงด้วยแต่มีโอกาสพ้นด้วยเพ่งเอาไว้เฉยๆไม่มีความเสี่ยงแต่ไม่พ้นเพราะฉั้นต้องใจถึงนะอย่าไปติดการเพ่งสังเกตไหมพอเลิกเพ่งเนี่ยใจเริ่มเคลื่อนไหวใจมันไม่ได้เป็นนิ่งทื่อๆอยู่เฉ ย, ยๆแต่ถ้าเพ่ยงย้อนใจไม่เคลื่อนไหวมันนิ่งๆทื่อๆนะไม่มีไตรรักให้ดู พอเราเลิกเพ่งมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูได้อย่าตอนนี้จิตหนีไปคิดรับไหมก็ดูไปจิตหนีไปคิดมันก็หนีของมันเองดูอย่างนั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่คนนี้มาเบอร์ 77. เ7บเจบอร์เจนะแล้วไปคุณภาคกรับนมัสสปาการครับหลวงพ่อคืออยากจะมาขอการบ้านเพิ่งมาฟังหลวงพ่อเป็นครั้งแรกครับเหรอเห็นกิเลสหรื อ, อยังก็เห็นบ้างครับที่ฝึกอยู่พอได้แล้วนะ เริ่มดูเป็นแล้วมีแต่หน้าที่ว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้ทันกิเลสเกิดแล้วรู้ทันอย่าตอนเนี้ยใจหนีไปคิดแล้วซ้ำไหมไม่ทันไหมไม่ต้องทันตอนที่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อกี้เผลอไปคิดเนี่ยรู้ไหมรู้รู้รครั บ, บถ้ารู้ก็ใช้ได้แล้วเราจะทันไม่ได้นะตอนหลงไปคิดเนี่ยในขณะที่หลงไปคิดจะรู้ไปด้วยเนี่ยเป็นไปไม่ได้คนคนละขณะหลวงพ่อถึงบอกว่าดูจิตเนี่ยต้องตามดูเอย่างตอนเนี้ยไปคิดอีกแล้วซ้ำไหม เนีหัดดูไปถ้าเห็นจิตที่หลงไปคิดก็รู้ไปด้วยพอไหลไปคิดก็รู้ไหลไปคิดแล้วรู้ของคุณที่ยังติดขัดอยู่ตอนนี้คือยังเพ่งอยู่นะยังติดเพ่งนะต้องปล่อยซะถ้าเพ่งแล้วมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวถ้าปล่อยแล้วมันจะเคลื่อนไหวห น, ะนีไปคิดอีกแลวทราบไหมครับนะรู้ทันอย่างนี้รู้ลงไปได้ได้นะต่อไปเบอร์อะไรหล่ะมองีกครับคุณเอร์คนนี้ครับนมศสกดิ์หลวงพ่อส่งกันบ้านครับ ก็คือครั้งที่ลราหลวงพ่อบอกว่าจิตมีโมหะหรู้บอกไหมต้องแต่เช้าเลยครับมีก็มีเป็นกลางไหมไม่ค่อยกลางเท่าไหร่นั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้นค่อนข้างอยากให้หายแล้วเพราะงั้นเวลาจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะอยากให้หายเนี่ยจิตไม่เป็นกลางแล้วรู้ตรงที่อยากรู้ตรงที่ไม่ชอบมันแล้นะครับก็คือจะถามว่าบางทีที่ที่รู้เนี่ยครับต้องบอกมันไหมครับหลวงพ่อบอกว่าแต่ตอนนี้อยากให้หายหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องพัก แต่ถ้าจิตมันภาคของมันเองก็ไม่ไม่ว่าอะไรก็คือห้ามไม่ได้ปล่อยให้เป็นธรรมดาแล้วคือครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ผมไปทําสมถะบ้างครับแต่ก็คือคิดว่าน่าจะพอมีแรงขึ้นมาบ้างมีแรงแล้วอืครับมีแรงแล้วดูไปนะแต่แรงของคุณยังเบาบางนะครับพร้อมจะหมดแรงรู้สึกอยู่งั้นไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งเอาร้อยยีแล้วคนนี้เบอร์อะไรเบอร์เจ็ดเอาร้อยยีแแล้วมาเจ็ดสิบ แล้วไปอะไรบิ้วชื่อบิ้วเหรอนวัศการหลวงพ่อครับขอส่งการบ้านครั้งแรกครับอืหลังจากเคยมาหลวงพ่อบอกว่าให้ไปฝึกรู้สึกตัวช่วงแรกจะแบบเหมือนจะจงใจให้รู้สึกตัวแต่ว่าพอพอจงใจไปมันก็เลยแบบเหมือนมันมันรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนว่ามันอ่าแล้วก็หลังๆก็เลยเริ่มไม่จงใจมากก็รู้สึกตัวบ้างแต่ว่าจังหลงไปคิด คิดบ่อยแล้วก็คิดนา น, นคิดนานไหมบ่อยกับนานาไม่เกิดร่วมกันนะคือคือทั้งคิดนาน บ, บางวันก็นานบางวันก็บ่อยครับถ้าบ่อยอ็ภาวนานดีถ้านานไม่ดีแล้วอย่างนี้ควรทำไงต่อไปไม่ต้องทําอะไรทําอย่างที่ทําอยูน่นี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วดูต่อไปอีกครับนะอันเบอร์เจ็ดสิบครับเมื่อก่อน ผมเข้าใจคำว่าเพ่งว่าว่ามันต้องไปติดอยู่ในสมาธิชั้นลึกๆเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ตัวเลยว่าว่าผมเนี่ยติดประคองจนหลวงพ่อบอกเนี่ยผมเลยเห็นว่าประคองนี่มันแค่นิดๆเวลาเดินไปรู้สึกเดินจงกรมเนี่ยประคองไปนิดๆก็รู้มาตลอดเลยทิ้งมันเออทิ้งมันไปแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้อีกว่าการดูไกด์เนี่ยสังเกตไหมพอเราทิ้งไปนะใจเราโล่งโปร่งแล้วมีความสุขดขึ้นมาเห็นไหม ตอนส่งกันบ้านหลวงพ่อยังมีความสุขผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะนั่นแหละจิตมันเจริญสติเป็นแล้วมันมีสติรู้สึกไปทําถูกต้องแลครับวเวลาอีกอย่างหนึ่งคือเวลามันมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นเนี่ยมันถึงรู้ว่าอ๋อการดูไกายที่ถูกต้องมันถึงจะเป็นอย่างนี้เออนะภาวนาถูกแล้วครับไปส่งไปข้างหลังเกอแล้วก็บิ้วกราบนมาตการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ยังจงใจมากอะค่ะแล้วก็เวลา เวลาปฏิบัตินะคะตั้งท่าปฏิบัติเนี่ยจะแข็งอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอืมทำไงล่ะเวลานอนดูเนี่ยจะไม่เป็นแต่ถ้าเวลาขึ้นมานั่งเมื่อไหร่เนี่ยจะแข็งขึ้นมาทันทีนอนดูได้ใช่ไหมคะอ่าวบิ้วที่หลังแต่ต้องต้องปรับปรุงอะไรอีกไหมคะไม่ต้องไม่ต้องดูไปอย่างนี้ใช่ไหมคะกลับขึ้นแต่ความจริงอะนะ คือพอเริ่มคลายออกใจมันไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ทําอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะกลับไปเพ่งซะถ้าถ้าไปวุ่นวายกับมันมากเดี๋ยวจะติดติดเพ่งอย่างเดิมตอนนี้มันไม่ค่อยติดแล้วคลายออกมาแแต่ว่าถ้าไปเพิ่มพลังให้จิตนิดหน่อยนะเช่น ท, ท, ทําสมถะขึ้นมาเดี๋ยวมันจะกลับไปล็อกใหม่ตอนนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนเอาบิว้วนิมัสการนะครับก็ช่วงหลายๆวันมานี้ครับ เวลาทำอะไรก็ตามครับบางครั้งมันเหมือนกับมันจะเออๆไปเลยมันจะลง่บ่มันไม่มีอะไรเลยมันจิตเหมือ น, นตอนนี้ไหมไม่ครับคือถ้าจิตเหมือนตอนนี้มันจะเออง่ายๆ<ะ>มันไปประคองไว้หลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะมันไปประคองไว้เล็กๆเงี้ยมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริง<ะ>นิ่งไปนิ่งมาแนละ้วขี้เกียดรู้ขี้เกียรติเห็นอะไรเออๆไปเรื่อยๆ ดันั้นพยายามรู้สึกอยู่ที่ร่างกายให้มากขึ้นของคุณไปดูร่างกายด้วยนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกกายไว้เอากาเข้าไปช่วยนิดนึ่งถ้าใจดูใจรวดเดียวไปมันเบาไปพอมันเบามันไม่มีอะไรที่รุนแรงที่ชัดเจนมันเบาๆเดี๋ยวมันจะเออพอมันเหมือนมันจะมีพอเราไปดูแล้วมันจะหายมันหายหมดนี่พอหายหมดแล้วเราไปค้างอยู่ในความว่างๆที่ว่าไปเออๆจิตมันไปหลงอยู่ในว่างๆ เพราะงั้นเราอย่าไปอยู่ในว่างๆแล้วออกมารู้กายเห็<ม>นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะหรือจับตัวเองเนี่ยลองสัมผัสตัวเองเห็นเป็นท่อนๆนะตรงนี้แข็งตรงนี้อ่อนเนี่ยคอยรู้สึกกายไปได้ต้องออกกายมาช่วยนะไม่ใช่ว่าจะดูแต่จิตยอย่างเดียวต้องดูกายด้วยถ้าดูจิตยอย่างเดียวเบาไปพอเบาแล้วจะไม่รู้จะรู้อะไรว่างๆไปเฉยๆมันจะหายไปแบบหายไปเลยเออนะมารู้กายไป จิตนิสัยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องรู้กายนะถึงจะ บ, บรรลุมรรคผลบางคนก็รู้เวทนาบางคนดูจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแต่ถ้ารู้กายถูกต้องก็จะรู้จิตรู้จิตถูกต้องมันจะมารู้กายนี่ของคุณต้องไปดูกายด้วยเอาต่อไปเดี๋ยวนะเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนนะรู้ขออนุญาตค่ะเพราะว่ามาไกลเดี๋ยวจะเสียโอกาสเอาว่าไปคนอื่นอนุญาตไหม <laughs> อา้า กราบ น, นมรส ก, การหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะจําลูกได้หรือเปล่าเพราะว่าลูกมาเมื่อห<ม>เดือนที่แล้วเจ็ด<ม>เดือนแล้วก็อาจจะได้แสดงท่าทีบางอย่างแล้วทำให้พี่สาวที่บ้านไม่สบายใจเอางี้เสียเวลาอย่าเล่า okay, มาก ค, <ะ>คือที่ภาวนาตอนนี้จิตมันดีขึ้นแล้วนะคืออย่างนั้นลูกถามอย่างนี้ก็คือว่า หลังจากที่ได้ไปที่เนเธอร์แลนด์แล้วไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสกลับมาเจอหลูกพ่ออีกแต่ว่าชีวิตที่นั่นมันเปลี่ยนจากที่เราไม่เคยมีภาษาอะไรที่แรงและแปลกๆแล้วเราต้องไปรับกับภาษะทำให้ต้องเหมือนกับหาวิธีการที่จะไปรับภาษาตรงนั้นในที่สุดก็เลือกแล้วก็ตัดสินใจที่จะย้อนกลับมาในเส้นทางตรงนี้จริงๆลูกว่า ล, ลูกก็อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง แต่ว่าไอการเจริญสติสัพปปชัญญาเนี่ยมันอาจจะมันยังไม่แข็งแรงพอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอผัสสะแรงๆที่นั่นแล้วก็แปลกๆทำให้เราหันกลับมาสู้กับมันจริงๆก็คือหันกลับมาเจริญตรงนี้อย่างต่อเ น, นื่องแล้วก็เริ่มหันกลับมาฟังหลวงพ่อแล้วก็เริ่มสังเกตถึงความถูกความผิดแล้วก็ปรับปรั บ, ปร บ, ปรบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นแหละที่ภาวนาอยู่ดีแล้วนะไปดูต่อ ทีนี้ใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้ลูกมีอยู่สองคำถามที่เหลืออยู่แล้วมันจะทำให้ลูกสามารถเดินไปบนเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นคงและถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอหลวงพ่ออีกก็จะไม่ใช่ปัญหาแล้วก็คือคำถามแรกก็คือว่าเท่าที่เคยศึกษาแล้วก็ศึกษาการปฏิบัติธรรมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าการที่เราจะก้าวข้าม อ, อ, อนาคามีผลเนี่ยการที่จะไม่เจริญกายคตาสติเนี่ย มันไม่น่าจะเป็นไปได้คือลูกยังมีความลังเลตรงนี้ว่าเป็นไปได้นะถ้าลูกดูจิตอย่างเดียวสมมุติถ้าตอนนี้ยลูกเอาหลวงพ่อดูจิตอย่างเดียวเนี่ยฮะกอหนูต้องการการคํายืนยันของหลวงพ่อว่าแต่สังเกตไหมบางคนหลวงพ่อให้ดูกายเพราะว่าจริตเขาถูกใช่แต่หนูว่าจิตหนูน่าจะมาทางดูจิตคุณอาณาเป็นพวกคิดมากคุณต้องดูจิตเอาเพราะหนูรู้สึกว่ามันทําได้แต่ถ้าอยากได้พระอนาคานะควรจะถือศีลแปด เพราะอะไรถ้าถือศีลแปดเนี่ยทำอนาคาได้ง่ายอย่างถ้าเราบริโภคกรรมอยู่เนี่ยเราจะไม่เห็นว่ากรรมมีโทษหรอกเราจะรู้สึกว่ากรรมไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่อย่างพวกพระประพฤติพรหมจรรย์เวลาราคาเกิดนะมันต้องต่อสู้กันเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นมากเลยสู้ตายจริงๆแม้ว่าเราจะไม่เห็นร่างกายเป็นปฐุกูลเราผ่านขั้นตอนตรงนั้นได้เลยได้เลยหมายถึงดูจิตแล้ทิ้งกายได้ หมายถึงว่าเราสามารถที่ดูจิตแล้วถอดถอนความยึดถือในร่างกายได้ด้วยใครมันเป็นคนยึดถือจิตมันยึดถือใช่ <นะ S 2> ใช่ใชถ้าจิตมันฉลาดทอมันรู้ว่าไปยึดกายแล้วมันทุกข์จิตมันก็ไม่ยึดคือวิธีจะปล่อยมีสองอันอันหนึ่งเห็นว่าของที่จิตเข้าไปยึดเนี่ยไม่ใช่ของดีอย่างเห็นกายไม่ดีจิตเข้าไปยึดนั่นส่วนหนึ่งอันที่สองเห็นจิตนั่นแหละว่าถ้าเข้าไปยึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นจิตก็ไม่ยึดเหมือนกัน S <S คือสิ่งหนึ่งที่หนูเห็นความมหัศจรรย์ในการประพฤติปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนก็คือว่าทันทีที่เรารู้สึกตัวตัวตนมันจะเบาบางลงจริงๆแต่ทันทีที่เราขาดความรู้สึกตัวตัวเราก็จะไหลเป็นผู้โกรธหนูเริ่มเห็นร่องรอยตรงนั้น <S <S แต่นลหลวงพ่อถึงบอกว่าภาวนานดีขึ้นแล้ว แต่หนูจะมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ายังมีความกลัวยังมีความหวั่นไหวในใจก็คือเรื่องของเวทนาแล้วหนูไม่แน่ใจว่าถ้าหนูตามดูจิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตที่เหลืออยู่แล้วโดยที่ไม่ผ่านเวทนาตรงนี้เลยคือมันไม่มีเวทนาเข้าม า, าให้หลวงพ่อจะแนะนําอย่างนะลืมทิฐิของเราเสลืมความเชื่อของเราเสว่าว่าต้องอย่างนี้ก่อนต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มีคำว่าต้องเยอะเหลือเกิน รู้ลงปัจจุบันเลนะจิตเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะแจ้งขึ้นมาแม้เราจะถูกความเห็นของเราเองและผูกมัดเราไว้ว่าต้องทําอย่างนี้ก่อนนะถึงจะได้ถ้าศึกษาพระไตรปิฎกให้ดีศึกษาอภาิธรรมให้ดีจะพบว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรอกบางคนนะไปเข้าใจว่าเบื้องต้นต้องกายก่อนแล้วก็ขั้นสุดท้ายไปดูจิต <c oughs> เพราะว่าท่านเดินอย่างนั้นมา พระอนน์ไปอ่านพระสูตรอยูนะตอนก่อนพระอนนท์คืนสุดท้ายที่พระอนน์จะบรรลุพระอรหันต์นะพระไตรปิฎกเขียนไม่ชัดเลยบอกพระอนนยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายยคตาสติเป็นส่วนมากดูกายนะฝืนความเชื่อเราไหมว่าขั้นสุดท้ายต้องไปดูจิตพระสารีบุตระบรรลุพระอรหันต์ด้วยการรู้อะไรดูจิตหรือไม่ใช่ mm hmm. ท่านรู้เวทนา mm hmm. เห็นไหม พระอนุรุตล่ะพระอนุรุตตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนยันขั้นสุดท้ายท่านดูอะไรท่านดูจิตทางใครทางมันเพราะฉะนั้นวางความเชื่อของเราทิ้งไปซะสติปัฏฐานเนี่ยในตำราเนี่ยท่านเปรียบเทียบบอกว่ามันเหมือนเมืองเมืองหนึ่งเมืองนี้คือนิพพานนะทางเข้าเมืองเนี่ยมีสี่ประตูทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเข้าประตูใดประตูหนึ่งก็เข้าเมืองได้ สติปัฏฐานทั้งสี่นั้นทําเพียงอันใดอันหนึ่งก็ถึงนิพพานได้เพราะเราต้องเรียนนะว่าธรรมะจริงๆสอนอะไรอย่าเอาความคิดความเชื่อของเรามาใช้คือหนูแค่แบบสังเกตสองปีที่แล้วหนูผ่าตัดทั้งๆนี้หนูก็เจริญอาณาปณะสติจนเรียกว่าลมหายใจกับหนูนี่มันเหมือนกับมันคุ้นเคยกันแล้วนั่นแหละถ้ามันเป็นอันเดียวกันเป็นสมถะแต่หนูสู้มันไม่ไหวไงคะกำลังตรงนั้นก็ยังสู้มันไม่ไหวทีนี้หนูก็เลยอะไรรู้ไหม อย่างพอราคาเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นเนี่ยใจเราไม่ได้เป็นกลางเราหนีการที่รู้ราคาและโทสะนั้นเข้ามาอยู่กับลมหายใจนั่นคือการหนีนะไม่ใช่คือการรู้สภาวะถ้าอยากรู้สภาวะต้องทำอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่ามีไม่มีราคะถ้าไม่ได้บอกนะภิกษุทั้งหลายเมื่อมีราคะให้หนีมาอยู่กับลมหายใจ เราไม่ได้ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วเราบอกว่าไม่ได้ผลก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะถ้าจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะลองทำตัวเป็นคนรู้ไม่ใช่คนทำทำไมเราต้องเป็นคนทำเพราะเราอยากดีเราอยากพ้นทุกข์เราเกลียดความทุกข์เรารักความสุขเราสแสวงหาความสุข แต่ถ้าเราสามารถรู้ไปะสะภาวะทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามนวนแต่เกิดแล้วก็ดับนวนแต่บังคับไม่ได้เมื่อความสุขเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางกุศลและอกุศลเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางต้องรู้ด้วยความเป็นกลางนั่นแะหละจิตหมดความปรุงแต่งต่อเมื่อจิตหมดความปรุงแต่งแล้วรู้ไปจนเพียงพอนะจิตจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นนิพพานนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องไปทําอย่างนวนอย่างนี้นะ อยู่ที่ว่าเมื่อไรจะพ้นความปรุงแต่งได้ด้วยปัญญาอันยิ่งปัญญาที่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่าเอาความคิดไปใช้นะก็สรุปว่าที่หนูไม่ได้ส่งการบ้านเพราะหนูคิดว่าหนูทําการบ้านมาตลอด6เดือ น, น, น, นแล้วเมื่อทํามันก็จะมีแต่คําตอบอแล้วหนูก็คิดว่าหนูก็จะเดินไปให้สุดทางแห่งคําตอบตรงนั้นแล้วหนูขอถือโอกาสนี้ กรบาบขอขมาหลวงพ่อถ้าเกิดมีเหตุอันใดที่หนูได้ล่วงเกินไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็อยากให้มันเป็นวิบากที่จะทำให้ปิดกั้นมรรคผลค่ะเออถ้าไม่อโหสีก็ปิดกั้นนั่นแหละนำมัสกณ์เจ้าค่ะอา้าวต่อไปว่าเหนื่อยจังเลยเห็นโยมเยอะมันยกอย่างเนี้ยตาลายอ่ะเอาลงก่อนลงก่อนอ้าคนนี้58สส่งมาข้างหน้าข้างหน้า 58แนะแล้วเสื้อดำๆนั่นะเบอร์อะไรชูป้ายหน่าดีกว่า อ, อย่าไปติดหน้าออกมองไม่เห็นอะออ58แล้วไป98กราบนรมาส ก, การ์พราจารย์ครับพอดีผมอยากจะให้อาจารย์แนะนำการปฏิบัติที่ถูกกับจริตนะครับเพราะว่าพอดูกายใช่ั้มครับมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะแน่นๆจุกอยู่ที่ที่โซเราเราไม่ได้เรียนบทที่2ก่อนคือจิตสิกขาเราอยู่ไปดูกายนะเราไปบังคับจิตเข้า เรจะบังคับจิตให้มันอยู่กับกายห้ามมันไปลืมกายนั้นไม่เอาอย่างนั้นหรอกเราแค่รู้สบายๆเห็นไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ดูอย่างนี้นะร่างกายเป็นแค่ของถูกรู้ดูไปเรื่อยๆแค่นี้แหละเดี๋ยวใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่าตอนนี้จิตไปคิดจิตนี้ไปคิดทราบไหมครับครับประคองอยู่รู้สึกไหมรู้สึกมันตึง เ, เลิกสินะเลิกประคอง ไม่ดีก็ได้เลิกประคองเนี่ยครับมันคือเลิกประคองมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะทํายังไงถึงจะปล่อยให้มันต้องเลิกปฏิบัติเราไปขลงคําว่าปฏิบัติเพราะคนไทยแปลคําว่าปฏิบัติว่าทําทั้งๆที่คําว่าปฏิบัติภาษาบาลีไม่ได้แปลว่าทําปฏิแปลว่าเฉพาะอย่างปฏิกิริยาเนี่ยกริยาเฉพาะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่า เข้าไปถึงคือเข้าไปรู้เฉพาะหน้า น, นั่นเองรู้กายรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นที่กําลังเป็นอยู่ที่กําลังปรากฏอยู่แต่เราไปบังคับจิตใช่ไหมเราทําเกินกว่ารู้ถ้าเมื่อไร่คิดถึงการปฏิบัติแล้วมีการกระทําเกิดขึ้นนะเมื่อนั้นทำผิดละใจลอยรู้สึกไหมรู้สึกครับใจลอยรู้สึกไปของคุณไปรู้กายไว้แล้วคุณไปเดินจงกลมให้เยอะๆนะครับผมแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดู จำได้ไหมตรงนี้ไปเดินจงกรมนะ้็เห็นร่างกายมันเดินใจมันเป็นแค่คนดูไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจจำได้ไหมมากับใครช่วยกันจำนะถ้าทางจำคนเดียวจําไม่ไหวจำได้ไหมหลวงพ่อว่าไงการมาสการ์ค่ะหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อสอนเขาว่าไงที่ว่าให้เขาจา อ, อ่ะคือ เอางี้ไม่ต้องไม่ต้องฮะแต่งวาไม่รู้หรอกะก็ให้ให้ไปเดินนะแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินไปร่างกายเป็งของถูกรู้ถูกดูใจเราเป็นคนดูแต่ว่าเราเดินเล่นๆไปนะเราไม่เพ่งที่กายแล้วเราก็ไม่เพ่งที่ใจเรารู้เล่นๆไปรู้กายเล่นๆรู้ใจเล่นๆดูกายมันเดินดูใจมันเคลื่อนไหวเล่นๆพอไหวไม่ไล่อย่างเนี้ยรู้สึกไหมจิตขนาดนี้กับเมื่อกี้ก็เริ่มไม่เหมือนกัน ครับผมตอนนี้มันสว่างขึ้นมาแล้วมันปล่งขึ้นมาไปทำเอานะครับอาต่อไปเบอร์อะไรข้างหลังลืมยกไว้ยกไว้เดี๋ยวมันหายทางทาง98 98นะแล้วก็120เท่าไร124แล้วเสื้อเหลืองเหลืองนั้นเบอร์อะไรเออ88ที่หลังชูป้ายนะนั่งหลังมองไม่เห็นนะนมัสการหลวงพ่อครับ ก็ลูกศิษย์จากญี่ปุ่นนะครับมาส่งกันบ้านในรอบลายสามไตรามาสในอดีตเข้าใจตัวหลวงพ่อบอกว่าเป็นนักเพ่งมืออาชีพแล้วก็พยายามไม่ใช่พยายามแล้วก็ตอนนี้รู้ได้มากขึ้นก็คิดเอาเองว่าไม่ทราบว่าคิดถูกหรือผิดนะครับ ถ, <ำ>ถูกว่าทำถูกแล้วดูไปเรื่อยๆดูเล่นๆไปเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวคุณรู้สึกไหมใจคุณมันเดี๋ยวนี้มันโปร่งมันโล่งขึ้นโปร่งขึ้นเยอะครับ นะัเพ่งไว้ก็ทึ บ, ทบๆอยู่งั้นกนะี่ปีกี่ชาติก็อยู่แค่นั้นแหละตอนนี้รถเป็นมือสมัครเล่นแล้วใช่ไหมครับรถจากนักเพ่งมืออาชีพเป็นมือสมัครเล่นแล้วเออมสมัครเล่นนะเล่นเป็นกล่าวนะครับไม่ทราบแล้วพอคือผมเนี่ยเพ่งมาทั้งชีวิตแล้วก็เพิ่งเริ่มตื่นได้สักไม่นานนะนะครับ ม, มีอันนึงซึ่งหลวงพ่อก็เคยบอกไว้ว่าคือไม่กล้าไปทําสมถะกลัวว่าจะกลับไปเพ่งอีกครับคือถ้าเมื่อไหร่นะดูจิตได้ให้ดูจิตไป ถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายมันทํางานไปถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทําความสงบเข้ามาเวลาทําความสงบเข้ามาถ้าจิตไปเพ่งก็รู้ทันว่าเพ่งมันก็ไม่เพ่งแล้วะตอนนี้มันยังยังได้ครับคือยังรู้กายบ้างรู้ใจบ้างสลับไปเรื่อยแต่ว่ า, วาแรงมันเริ่มตกแล้วนะแรงเริ่มไม่พอละวอ๋อครับก็ต้องกลับไปทําสมถะบ้างแต่ว่าอย่าไปกลัวมันเพราะฉนั้นเวลาเราทําสมถะแล้วจิตมันจะย้อนไปเพ่งรู้ทัน ต้องตั้งตั้งเป้าหมายของการทําสมถะใหม่อย่าไปมุ่งปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเอาแค่ว่าเราจะรู้อันเดียวอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องรู้เล่นเล่นสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าทําอย่างนั้นจะไม่เพ่งแต่ถ้าจะมุ่งเอาความสงบนะไปรู้ลมแล้วก็อย่างนี้เลยจิตก็ไปเกาะเลยแต่ถ้าเราแค่รู้เล่นเล่นเห็นร่างกายนี้มันหายใจเล่นเล่นไปรู้สบายๆนั้นรู้แรงไปอย่างนี้แรงไปอย่างนี้ถ้าลําไปรู้แล้ว ต้องรู้สบายๆเห็นร่างกายมันหายใจแค่รู้ว่ามันหายใจไปได้เนี่ยมันสงบเองเวลามันสงบลงมามใจจะรวมนิ่มๆไม่ขาดสติขาดสติใช้ไม่ได้นะเอาต่อไปเบอร์อะไรนะมนรเมื่อกี้ที่เรียกไว้แล้วร้ <88. S 1> อย8ี่สิบสี่แปสิบปดแล้วก็เก้าสิบเจ็ดแปดสบปด้าสบเจ็ด กลบนำมสการค่ะมาส่งการบ้านค่ะสองเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าโยมชอบดักรู้ก็คิดว่าดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังคิดว่าเข้าไปติดประคองกับติดกดอยู่ค่ะหลวงพ่อโยมนาใช้ได้แล้วน ะ, ค, ะคือมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงแล้วใช้ได้แล้ว ทีนี้พอหลังๆจะรู้สึกว่าโลยมจากเดิมที่เคยคิดว่าจิตมันไม่ค่อยมีสังขารปรุงแต่งพอหลวงพ่อบอกว่าให้ปล่อยเนี่ยตอนนี้มันเหมือนมันมาให้ดูแต่รู้สึกว่าจิตกับสังขารแยกกันค่ะหลวงพ่อค่ะนี่แหละดี ค, ะคนที่ทําสมาธิมามากนะพอเริ่มมาเดินปัญญาเนี่ยจะเห็นจิตกับสังขารแยกกันจะเห็นจิตกับกายแยกกันเห็นจิตกับเวทนาแยกกันใจอยู่ต่างหากดีแล้วดูไปค่ะแล้วก็เหมือนกับหลวงพ่อก็บอกว่าให้โยมออกมาหลุดออกมาจาก เจอในโลกบ้างยอมก็รู้สึกว่าก็ปรับตัวมากขึ้นค่ะใช่เราภาวนานะีไม่ใช่ทําเป็นคนหนีโลกน ะ, ะเราต้องเรียนรู้โลกแต่ไม่ใช่หลงโลกน ะ, ค, ะคนในโลกมันหลงโลกมันไม่ได้เรียนรู้โลกหรอกแต่ถ้าเราหนีโลกก็ใช้ไม่ได้ต้องรู้โลกตามความเป็นจริงก็คือยังต้องอดทนทํานีต่อไปเรื่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะทำกันตลอดชีวิตเลยน ะ, ะขนาดพระอราหันยังจเจริญสติปัฏฐานเลยนะในพระไตรปิฎกบอก แต่ท่านเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เพื่อให้เกิดยามทัศนะเพื่อความหลุดพ้นท่านทำสติปัฏฐานแล้วเห็นขันมันแยกเอาไวตา่างท่านบอกว่าเจริญสติปัฏฐานอยู่จิตพลากจากขันอ่ะว่าไปกล่นวณวสการหลวงพ่อค่ะ คือมาครั้งแรกคือวันที่17ตุลาแล้วค่ะในนี้กลับกลับไปก็ดูจิตดูจิตแต่ตอนนั้นดูวิธีสมมติว่ารู้ว่าโกรธก็คือรู้แค่ว่าโกรธแล้วในใจก็จะพูดว่าโกรธแล้วนะคือใจมันภาคเองอะคะ่ะมันภาคไม่เป็นไรค่ะแล้วทําทําทําต่อไปเรื่อยๆก็รู้บีปงตอนเช้าบางวันก็จะรู้สึกว่ามันนิ่มโนนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วนี่ทําไปเรื่อยๆเฮ้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแยกมันรวมๆยังไงก็บอกไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่ามีวันนึงค่ะ ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือปากแต่คิดว่าไม่ได้ตั้งใจมันข้างในมันเหมือนมีกองขังจิตอยู่องเงี้ยเรามันก็จิตดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นอึดอัดนะคะให้รู้ว่าดิ้นนะไม่ต้องหาทางออกจากกองขังไม่ต้องใช่ไหมคะเหมือนรู้สึกจะดึงมันออกมาให้ให้รู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้ไปแก้ไขตรงนี้จําไม่ให้ดีนะถ้าคุณมุ่งแก้ไขคุณจะอึดอัดทรมานมากถ้าคุณรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงนะพันธนาการทั้งหลายจะร่วงไปเอง แล้วหลังจากนั้นก็เลยคิดว่ า, เอ า, เ, อาเอาลองวิธีใหม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเลิกลองสักที <laughs> แล้วรู้ไปจิตมัวรู้ว่ามัวจิตไปถูกขังอยู่รู้ว่าถูกขังอยู่รู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงเลิกลองสักทีแล้วรู้ลงปัจจุบันไป <laughs> แล้วเอ็นที ค, คุคุณบอกอันนี้มันถูกไหมคะคือตอนนี้มันอีกวิธีนึงค่ะ <laughs> คืออยากจะรู้มันถูกหรือเปล่าก็คือว่าก็คือว่าสมมติว่ารู้สึกว่าโกรธ ก็จะเหมือนกับดึงดึงจิตเพื่ออะไรดแล้วผิดใช่ไหมให้รู้สิท่านสอนง่ายๆพิสูจทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะถ้าไม่ได้บอกว่าพิสูจทั้งหลายห้ามมีโทสะพิสูจทั้งหลายพอมีโทสะแล้วรีบดึงจิตออกมาดึงดึงแล้วดูก็ไม่ใช่ใช่ไหมค่ะไม่ใช่ถ้ามีการกระทําใดๆมากกว่าการรู้นั้นผิดทั้งสิ้นแสดงภาคได้ใช่ไหมคะจิตมันภาคเองไม่เป็นไรถ้าเราภาคใช้ไม่ได้มันภาคเองมันภาคเองก็เรื่องของมัน ถ้าเราไปช่วยภาคไม่ได้นะเช่นมันมีโทสะขึ้นมาเราก็โกรธเนาะโกรธเนาะอันนี้สมถะมันจะบอกว่าโกรธนะคันนี้ค่ะจบแล้วเราต้องแล้วเราต้องตามต่อไหมคะคือที่หนูหนูทำคือพอรู้ว่าโกรธพอรู้ว่าจิตภาควุบโกรธนะคันนันหนูก็หยุดดูเลยแต่รู้ว่าโกรธแล้วดูไปสิอะไรเกิดขึ้นก็รู้ลงเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆดูจนกว่ามันจะหายใช่ไหมคะแต่ไม่ไม่ใช่ดูไม่ใช่ดูจนมันหายนะดูไปเท่าที่มันเป็น มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ดูให้หายด้วยจะหายไม่หายก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราหลวงพ่อคะเล่าอีกอย่างหนึ่งค่ะพอดีพอดีเต็งมีลูกค่ะแต่ลูกที่ยังเล็กมากค่ะสองขวบกว่าแต่ว่าเราอยากจะให้พื้นฐานเขาคือเราไม่ไเราภาวนาก่อนพอจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขเวลาเรากอดลูกนะลูกก็จะสบายใจเราไปภาวนาของเราไปต่อไปให้คนอื่นบ้างเกจนะแล้วมาเบอร์ห้าแล้วมาเบอร์9้า อาคุณภาคยังไม่ได้เหรอหเรียกไว้ตั้งนานแล้วน7 <97 S 1> อยเกนาเจ็อยู่ข้างหลังยกไว้ย้องมือไว้ไ ค, คุณภาคนี่ยกมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงยกแล้วหลวงพ่อลืมไปแล้วมัสการหลวงพ่อคะ่ะฟังจากซีดีอะค่ะ แล้วก็วันนี้จะขอกันบ้านนะคะคุณพ่อขอแล้วทำไหมก็ทําอะค่ะเพราะว่าเท่าที่ทำอะค่ะก็จะเห็นเห็นกิเลสเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกโกรธเนี่ยมันจะสั้นลงอมันจะเมื่อก่อนจะโกรธแล้วจะค้างนานแต่อย่าไปแทรกแซงเ้านะก็จะโกรธแค่ไหนก็เรื่องของเขารู้สึกแบบอย่างเรื่องเดิมที่ที่เคยโกรธรู้สึกไหมชักสนุกในการคุยแล้วใช่ค่ะไม่รู้ทันต้องคุยให้น้อยนะถ้าคุยเยอะใจจะฟุ้งง่าย ใช่คะ่ะมาให้คนอื่นบ้างเบอร์อะไรเบอร์5เดี๋ยวนะ้าเดี๋ยวหลวงพ่อไล่เก็บที่เรียกไว้แล้วเบอร์หแล้วคุณภาคนะแล้วก็มาเบอร์เแล้วเบอร์1้อ4สอาจจะได้แค่นี้แหละกับนมรมการหลวงพ่อค่ะคือได้ไปฟังทำกับหลวงพ่อที่ศาลาลุงชินมานะคะแล้วก็ตลอดเวลาก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาตลอดนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่าทุกวันนี้ปฏิบัติแบบ ตามซีดีหลวงพ่อนะคะว่าให้ตามรู้นะคะปัจจุบันเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยเราก็รู้สึกโกรธแต่ว่ายังใช้วิธีการกดแล้วก็เพ่งมันอยู่ะคะ่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าจะต้องทํายังไงต่อไปอจะปฏิบัติยังไงโ<ส><ส>กรธรู้ว่าโกรธถ้าเราไปเพ่งเราไปดึงนะเรายิ่งอึดอัดให้รู้ตามความเป็นจริงค่ะเราอยากจะทราบว่าอย่างหนูต้องปฏิบัติยังไงคะที่จะได้ถูกกับจริตของหนูอะคะ่ะของคุณเป็นคนคิดมากน ะ, ค, ะคุณดูจิตไปเลย ดูจิตอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะตอนนี้ดูจิตอย่างเดียวไปก่อนค่ะแล้วสมถะที่ปฏิบัติมานี้จะต้องละไหมคะหรือว่ายังดูจิตอย่างเดียวไปเลยไม่ละนะคุณไม่ได้ติดสมถะค่ะคุณไม่ได้ติดยังไม่ต้องละก็คือยังปฏิบัติคู่กันได้ได้คุณภาคแล้วมาเบอร์9แล้ว1้อแล้วอะไรทางนั้นมีสองสคนครับเพราะขอรายงานการปฏิบัติที่ผ่านมานะครับก็จริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดทุกครั้งที่พอมันเกิด ความคิดแล้วมันเหมือนกับว่ามันหยุดชะงักกระอันนี้แทรกแซงนะครับอย่างแทรกแซงอยู่ถ้าถ้าไม่แทรกแซงใจจะโปร่งโล่งเบาเลยใจจะตื่นสบายขึ้นมาแต่ถ้าแทรกแซงรักสักนิดหนึ่งแลใจจะแข็งแข็งขึ้นมาแล้วทุกครั้งมันก็แทรกแซงตลอดนะครับมันมันเคยชินที่จะแทรกแซงมันก็ไปทําตามที่มันเคยชินเราก็แค่รู้ว่ามันไปแทรกแซงครับรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆขอขอคำแนะนําพี่ จุดเบิกข้องอื่นๆอีกนะครับของคุณอย่าดูจิตรวดไปนะให้คุณมาดูกายบ้างคุณดูจิตจนมันหมกมุ่นกับจิตมากไปออกมารู้กายบ้างเอามาเบอรเก้าดูกายบ้างนะเห็นไหมตั้งกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะของคุณดูจิตจนมันเข้าไปคลุกวงในอยู่กับจิตกาบสมัสมรคการหลวงพ่อค่ะมาเป็นครั้งแรกนะคะก็เลยอยากอยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ตื่นเต้นนะคะ จะถามว่าอะไรคถามไปเห ม, มือนจิตจิตของโลกนี่น่าจะดูดูจิตหรือว่าดูกายคะสติรู้อะไรก็รูวนนั้นแหละนะดูทั้งสองอย่างเลยถนัดดูอะไรล่ะแต่เดิมเนี่ยนะเราทําสมาธิมาเยอะคแล้วทำสมาธิเยอะแล้วไปดูจิตเนี่ยมันจะไปเพ่งจิตง่ายเพราะฉะนั้นออกมารู้กายไว้ก่อนร่างกายมันเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึ ก, ร, สกรู้สึกที่กายบ่อยๆก่อนนะ แ ล, แล้วต่อไปมันจะเห็นจิตเองมันจะกลับไปกลับไปเหมือนเดิมเลยอาจารย์ถ้าเราไม่ไปเพ่งมันก็ไม่เหมือนนะคอยรู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปเรื่อยๆเนะมื่อก่อนก็ก็ฝึกทีนี้ก็มาฟังแผ่นซีดีของอาจารย์ก็เริ่มมาปฏิบัติใหม่ะคะ่ะนั่นแหละเราเราไม่ได้ไปเพ่งแล้วเราเคแค่รู้สึกนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่ ง, อ ย, ง, อ, ยงอย่างนี้เพ่งใจเข้าไปล็อกอย่างเงี้เยเพ่งปุ๊บเลยถอยขึ้นมาอย่างเงี้ย เอามาอยู่ข้างนอกอย่างนี้จะเข้าไปล็อกอยู่ข้างในแล้วก็คอยรู้สึกเห็นร่างกายมันพูดร่างกายเหลียวซ้ายแลกว่าทีนี้ที่ที่ลูกปฏิบัตินี้แสดงว่ามาถูกถูกต้องแล้วใช่ไหมถูกสินะใจมันเริ่มคลายจากการเพ่งแล้วนั่นเรอย่าไปเพ่งมันเราก็รู้สึกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเลยดูเล่นๆอย่าไปเพ่งกายเอาไปทางหลังโน้นเบอร์ร้อยบสองเอาคุณเล็กก่อนก็ได้เอา แถมกาบนมักการะหลวงพ่อคือตอนนี้จิตมันรู้สึกเฉยๆแบบเหมือนไม่ค่อยปรุงแต่งนะครับเฉยมากไปเฉยมากไปนะครับมันมันน้อมเขาหาความนิ่งครับคือโยมก็ปฏิบัติคือมีคติว่าให้มีสติรักษาสินห้าแล้วก็วันพักก็รักษาสินแปดรักษาได้ก็ดีแต่อย่ารักษาจนจิตซึมนะแต่ ตอนนี้ไม่รู้ครับคือมันจิตมันเหมือนมันแบบไม่ค่อยปรุงแต่งเลยครับไม่ปรุงหละนะ ม, มันเราไปควบคุมตัวเองมากไปถือศีนโน้นศีนนี่ศีนดีหรอกแต่ว่าถือแล้วจิตใจมันก็เลยนิ่งๆทื่อๆไปครับครับนิ่งๆทื่อๆก็เลยคิดว่าเข้าใจว่าเอ๊ะทาไมมันไม่ปรุงแต่งออกมาล้อ ง, งเพล ง, ง <นะ S 2> บ้างออกมามองคนอื่นบ้างนะอย่าภาวนาแบบเข้าถ้ำอยู่นะ ออกไปมองมองคนข้างๆเราสิหน้าตาก ว, ว, วานๆอะไรเงี้ยนะมองในป้อนะ อ, ออกมากระทบโลกมากๆนะอยู่ในถ้ามากไปแล้วคืออ ย, อย่าปรุงแต่งน้อยอย่างนี้ให้ให้ดูกายหรือดูจิตนะครับไม่ออกมากระทบโลกเลยลืมเรื่องปฏิบัติไปก่อนพระจิตมันเป็นล็อกอยูนะ่ถ้าเรายังพยายามจะไปทําตรงที่มันล็อกอยู่นะมันเหมือนแมลงที่บินชนกระจกอะมันะชนอยู่อย่างนั้นไม่หลุดออกมาหรอกนะเลิกมันไปก่อนเลย ออกมากระทบโลกเนะี่ยมาดูโน้นดู น, นี้นะเราใจเราก็จะเริ่มทํางานพอมันเริ่มทํางานเราก็เลิกดูมันมัดูใจเราต่อถ้ามันมาล็อกแล้วซึมอย่างนี้อีกก็ออกไปกระทบใหม่ตอนนี้ต้องแก้ปัญหาเรื่องจิตมันไปล็อกนิ่งๆอยู่ข้างในอเอาบอ 112, บาร์รนะ้อยสบอร้อยสิบสองได้อีกสองคนบัพสกการหลวงพ่อครับตอนนี้มันติดเพ่งหรือเปล่าฮะนิดหน่อย ไม่มากนะเพียงน้อยดูกายหรือดูจิตดีครัของคุณต้องต้อง ด, ดูถ้าจิตมันยังล้องอยู่เนี้ยต้องไปดูกายไว้ก่อนแต่อย่าไปเพ่งกายนะครับถ้าเราดูกายเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกไปเรื่อยเดี๋ยวจิตมันก็เคลื่อนไหวถ้าเราไม่ได้เพ่งกายเดี๋ยวจิตก็เคลื่อนไหวเพราะจิตเคลื่อนไหวเราก็รู้จิตไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกนะของคุณจริตมันผสมผสานมันไม่ได้โดดเด่นในทางใดทางหนึ่ง รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตไปก็ตอนนี้ก็ต้องรู้กายมากขึ้นใช่มครัรู้กายมากขึ้นหน่อยแล้วลดลดรำมเอ่อลดทำสมถะหรือเปล่าฮะอย่าอย่าเพิ่งทำมากนะเพราะว่าจิตมันติดครับติดสมถะแล้วไว้พอมันหลุดออกมาแล้วค่อยกลับไปทําอีกยังไงก็ทิ้งสมถะไม่ได้ครับแล้วพระพุทธเจ้าสอนบอกดูกราภิกษุทั้งหลายทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาท่านให้ทำสองงาน แต่เราต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งรู้ว่าตอนไหนควรทําอะไรอย่างถ้าเราติดสมถะอยู่เราก็ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วก็มาเจริญสติให้มากกระทบอารมณ์ให้มากดูความเปลี่ยนแปลงในกายในใจให้มากดูไปดูไปจนใจฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ต้องทําสมถะ <Okay. S 1> เอาไปส่งไปข้างหลังบางคนนะไปฟังซีดีเราผิวเผินบอกหลวงพ่อไม่ให้ทําสมถะไม่ทําได้ไงพระพุทธเจ้าบอกให้ทำํำ แต่ให้ทําด้วยปัญญาไม่ทําแบบเซอ่อเซ่อเพ่งซึมกระทือไม่ได้กลับนมสัส ก, การหลงรวงพ่อเจ้าค่ะอตอนนี้รู้สึกว่าความทุกข์มันสั้นลงอะค่ะก็ดีแล้วละเวลาเดินจงกรมเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ า, เ, าเหมือนมีคนอีกคนนึงยืนมองเราอยู่อะค่ะมไม่ทราบว่าโยมทําถูกต้องไหมเจ้าค่ะทำถูกนะแต่ว่าไอ้คนที่มองอะเรอย่าไปประคองมันมากเราจงใจดึงออกมาห่างมากไป รักษาตัวรู้มากไปถ้ารักษาตัวรู้มากไปจิตจะเหมือนตอนเนี้ยจะซึมซึมรู้สึกไหมทุกอย่างเคลื่อนไหวหมดเลยทั้งโลกเป็นไตรลักษณ์หมดเลยแต่มีตัวหนึ่งนิ่งถ้ายังเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่เนี่ยังใช้ไม่ได้เจ้าค่ะแล้วเวลาเดินจงกรมเนี่ยเราไม่ต้องบริกรรมก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วแต่ถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเจ้าค่ะตัวสําคัญเราไม่ได้เดินเพื่อจะเอาความสงบเจ้าค่ะเราเดินเพื่อเอาความรู้สึกตัวเจ้าค่ะ นั่นไม่ต้องบริกรรมก็ได้บริกรรมเดี๋ยวมันสงบมากไปแล้วก็เดินแต่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านเราก็เดินเอาสมถะล้วก็เดินบริกรรมก็ได้เจ้าค่ะต้องดูว่าตอนไหนควรทําอะไรแต่โยมทําถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะทำถูกแต่ต้องคลายที่เพ่งออกก่อนเพง<ะ>่งแรงไปค่ะแล้วแล้วเวลานั่งสมาธินคะคะหลวงพ่ อ, เ, อ, อเวลาบริกรรมมันไม่ค่อยลงอะคะเจ้าค่ะไหนลองทําให้ดูซิ ดูเล่นๆนะอย่าน้อมใจเข้าไปนะอย่างนั้นมันไม่ลงเพราะจิตมันไปเดินปัญญาอยู่เห็นไหมมันเห็นความเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะ จ, จะเห็นความเกิดดับได้เร็วมากเลยลค่ะเจ้าเมื่อทำอย่างเนี้ยได้คะแนนเยอะกว่าอ๋อเนะจ้าค่ะเวลาต้อง<ม>การพักผ่อนเท่านั้นแหละถึงให้รวมลงไปค่ะละจริตของโยมนี้ต้องดูจิตหรือว่าดูดูอย่างที่ดูนี่แหละดูจิตได้แล้วดูไปค่ะนะ ก็จะตอนนี้จะเห็นความเกิดดับเร็วมากเลยค่ะหลวงพ่อเราโยมก็เลยรู้สึกว่าใจลงล้รู้สึกไหมใช่เจ้าค่ะตอนตอนคุยนี่ชักมันละรู้สึกไแอบภูมิใจนิดนิดด้วยต้องเปิดโปรงค่ะแล้วไงก็วันนี้คุณแม่มาจากเชียงรายค่ะแล้วโยมก็ให้ซีดีคุณแม่ไปฟังประมาณได้สองเดือนแล้วให้คุณแม่ส่งกันบ้านแถมข้ามาสการหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวนี้ลูกจากเชียงรายมา มาครั้งแรกค่ะได้ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อกนิเลสไหมเมื่อก่อนมีเดียวนี้ยังดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นหมายถึงอะไรไม่มีกิเลสเลยเหรอใช่อย่างนั้นไม่ดีหรอกยิ่งเห็นกิเลสเยอะยิ่งดีนะแต่ยมไปฟังซีดีจะยมมีความสุขถ้าจิตใจมีความสุขหี่ใจก็สงบอยู่ไม่ค่อยมีกิเลสให้ดูอย่าฟังเอาแต่ความสุข ฟังซีดีแล้วก็เลิกฟังบ้างนะออกมาดูโลกข้างนอกกระทบอาอรมณ์ไปนะสังเกตไหมลูกของเราแต่ละวันน่ารักไม่เท่ากันรู้สึกไหมเ <laughs> นี่ยเราคอยดูใจของเราอย่างเงี้ยอุ้บางวันนี้มันน่ารักนะ <laughs> เห็นอีกทีนึงอุ้ยตอนนี้หน้าหยิกอะไรเงี้ยเนี่ย <laughs> เราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจโยมต้องไปดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของใจนะอย่าเอาแ ต, แต่ความสบายแต่ในมูมบ้านโยมนะั้นมีแต่บ้านโยมหลังเดียวค่ะ หมู่บ้านนั้นมีบ้านโยมหลังเดียวฟังสีดีค่ะเอบางบางครั้งทํามาเห็นโยมอะเขาว่าโยมบ้าแต่โยมไม่บ้านะคะช่างเขาเขาว่าโยมบ้าบางครั้งเขามาตกเบ็ดบ้านของโยมติดคลองค่ะออแนะคราบว่าคลองของเราเปล่าคลองใหญ่ด้วยคลองของโยมอ่ะไม่ใช่คลองของเราก็ช่างมันหนึ่งเราไม่ตกเขาแล้วกัน นะเร า, เาไม่ตกเองไะเขาบอกว่าโอ้ยมาถึงบ้านยายดีนี่ป้าไม่กินเลยยินแต่ดีิ น, น, นแต่เสียงหลวงพอ่อออกมาอย่าน<ๆ> <c oughs> ยิงนายมันก็ไปเองอะ่ะมาที่นี่ทนที่นี่ใครจะไม่มาเลยนะหลังบ้านหลังบ้านยังไม่มีใครมาเลยเขาบอกว่าป้าไม่กินเบ็ดเลยเขาว่างนี้เป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> หลวงพ่อเจ้าคะขอแถมอีกคนได้ไหมเจ้าค่ะพอดีพี่ชายคนนี้เขาเป็นคนพายมม า, า, า, าที่วัดหลวงพ่อได้คนสุดท้าย10บโมงพอดีมาไปครับกาบ น, นรบการครับก็าม า, าฟังหลวงพ่อได้หนึ่งปีแต่วันนี้เพิ่งได้ไดกาศนรบตากรเป็นค ร, รั้งแรกสังเกตไหมปีหนึ่งในจิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเยอะครับนะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแล้วล่ะทําถูกต้องแล้วมีจังไหนผิดทางแก้ต้องแก้ไขไหมครับตอนนี้บรรใจไม่ตั้งมั่น ดูออกไหมใจมันเป็นอยู่นอกๆก็แค่รู้ทันว่ามันไม่ตั้งมัน่นส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีตามดูตามรู้รเป็นยังไรก็รู้เวลาเราตามร<า>ู้ตามดูไปนานๆนะบางทีจิตเราหมดแรงจิตมันไปอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่ย้อนเข้ามาจิตของโยมตอนนี้มันไม่ย้อนเข้ามาดูออกไหมมันไปสบายอยู่ข้างนอกสบายโปร่งๆเพลินๆอยู่ตรงนี้จิตที่หลวงพ่อว่าจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นหลวงปู่ดินท่านก็บอกอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตออกนอก ให้เรารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะดูออกไหมว่าจิตมันเข้ามาไม่ได้มันเป็นบางที อ, อนะไปรู้เอาเดี๋ยวมันเข้าเองอย่าดึงนะถ้าดึงคืนมาแล้วจะแน่ น, นต้องต้องต้องเพิ่มกานรนั่งสมาธิหรืออะไรไหมครัไปเดินจงกรมดีกว่าของคืนคคนะเดินไปเรื่อยแล้วเห็นร่างกายมันทํางานอเชิญโยมกลับบ้านกันครับ